อ่าลังทากันเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติเอาไปฝึกเอาคำพูดไปสอนตัวเองอิลลารีเราเป็นนักศึกษา ไ, ไดีจริงฮะ เราเป็นนักศึกษาอยู่ในชั้นฐานะชั้นอุดมศึกษาศึกษาแบบเข้าถึงความเป็นพระอัยยะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งโดยตามหลักพระเจ้าสนเราสัมผัสกันเลยทีเดียวทุก ค, คนท่าศึกษาเรื่อง ธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยบุคคลให้เข้าถึงในสิ่งที่ยังไม่ถึงทำให้แจ้งในสิ่งที่ไม่ทำให้แจ้งเอากายเอาใจเป็นตำลาเอาสติเป็นนักศึกษาสัมผัสลงไปประกอบลงไป ตกตนสอนตนลงไปไมันมีกายมีใจต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ทำไม่เป็นการฝึกตนสอนตนตามหลักการศึกษาวิชาว่าเป็นพุท ธ, ธะไม่ใช่เรียนรูปไปจำเอาจบ ปลายประสมผสเอาใจประสัมผสเช่นความรูปสุดตัวมีอยู่แล้วในตัวเรา <c oughs> แต่ต้องประกอบให้มันถูกกาละเทศะแราสอนตัวเองใช้เวลาทาวัดสวดมนต์ก็มีรูปแบบนั่งประนมมือ ก็ฝึกการดบดมือให้มันสม่สำเสมออย่าปล่อยทิ้งตามหลักเบนจางขประดิษฐานอุศาหน้าอกนิ้วมือหวันดอกบวัวตูมจอท่านั่งคุกเขา่า ปล่ยตรงเอวตรงหน้าอกต้นคอใบหน้าจิดใจและก็ได้แสดงเอาทั้งวาจากล่าวถึงธรรมะนัน <c oughs> เป็นคำสอนสัมผัสได้เลยสิ่งที่เราพูดออกมาสาธยาออกมาเป็นการสอนตัวเองประกอบลงไปฝึกลงไปให้ส ม, า ม, ม่าเสมอ 东胜东洼，我都不懂，哈哈 อาจต้องซื้อพินเขว่าคนจะตกวันนี้ก็วิชาคานวณแล้วก็ถูกต้องการศึกษาวิชาสําเร็จถูกต้องฝ่ายลกูกแต่วิชาสำเร็จถูกต้องฝ่ายกายฝ่ายใจด้วยวิชาความเป็พุทธนี่ก็ถูกต้องความหลงไว้ถูกต้อง ความไม่หลงถูกต้องควาทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องในวิชาที่เป็นความพุท ธ, ธไม่ต้องถามไม่มีใครขีดถูกขีดผิดให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเป็นปัจจดตตังรู้เอาเองโดยเกลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้ดีอยู่เรื่อย สิทีมาดีเกิดขึ้นที่กาย็จนี้มีมีอยู่จะได้เห็นจะได้แก้ไขเปลี่ยนน่ายเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าไมนแก้ไม่เปลี่ยนไปใช่ปฏิบัติธรรมย่งพวกเรา อยู่ในรูปแบบเป็นนักบวชนุ่งท่ากาสาวพัดธงชัยทระลาหนรสยเหลืองสีขาว วิธ <c oughs> ีปฏิบัติเนี่ยเป็นวิชาที่สูงสุดพราะฉัตเสคยขาเรียกว่าสียขามันก็ไม่มีเสียงนะว่าฟังได้นะอาจารย์สังสินเทศน์ก็จะมีเสียงนี้ อ่าสต่อยได้ยอยากบอกอยากสนอยากเื็ส่วนร่วมแม่หลวงพ่อไปสอนอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ถ้าอยากเป็ส่วนร่วมกับเรื่องนี้ถ้ากถึนบุญก็ควมีส่วนบุญด้วยเพราะคนจะเป็นคนดี เพว่าศึกษาที่ได้กล่าวถึง1นี่ศึกษาเนี่ยหมายถึงสีนสมาธิปัญญาซึงจะเป็นการศึกษาสมชื่อเพราะว่านักศึกษาทำไมเข้าถึงสีนถึงสมาธิปัญญาเราไม่ใช่นักศึกษาสีนสมาธิปัญญาเป็นเมื่อเข้าถึงรอบจักรโคตรเกา ความไม่ดีออกจากกายจากใจที่ว่าถลุงย่อยออกเอยนออกทำอะไรก็ต้องดีขึ้นดีกว่าเกา่าสะาดกว่าเกา่าบริสุดกว่าเกา่าใช้ได้กว่าเกา่าที่จะเรื่องถูกต้องโดยการเปลีนแปงในทางดี ดีขึ้นเรียกว่าปฏิบัติมีสิ่งที่วัดว่าใช้ได้ตัวเก่าอย่างพระญาบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งเบื้องต้นชั้นต้นทำลอยความโกรธความโลภความหลงลงได้เนี่ยมันจงจดดี เพราะว่าเป็นเป็นศีลศีลมันโหดเกาศิลกาจัดความชั่วแบบจับจอบสมาธิกําจัดความชั่ววันกลางปัญญากาจัดความชั่วอย่างละเอียดความชั่วขณะจับจอบมันแสดงให้เห็นคนอื่นก็เห็น แสงโง่ทังกายทางวาจาทาง ก, ก, การกระทงทำพูดปรับเป็นตัวกฏคลหมอยผิดและเดียบวิน่งในยวมเชื่อจ ะ, จะเกิดไม่มีคนอื่นเห็นเกิดที่ตัวเราหวนโกหกหวังคุ้นอยู่ในตัวเรา ที่เหลือปัญหามันคุ้นอยู่ก่อนที่มันเจอกอม ง, งามต้องเปิดก่อตัวขึ้นก่อนดักโดโอทัก นี่ตูดเราจะเจิ้นกันกดดันไว้ภายในโทรศัระบายอกาศออกมาแล้วจับัตรูอาวุธเจนฆ่ากันได้พูดออกไปได้ด้วยโทรศัทก่อนที่จะแสดงออกมามาเกิดขึ้นภายใน ถ้าเราศึกษาจะได้เห็นนั้นแต่มันหลงมันจะแสดงความโกรธความโลภความทุกข์สภาวะที่หลงป็นตัวแม่ของอวิชชาความชั่วหลงกันกับความรู้จึกตัวพอดีถ้ามีสติจะได้เห็นเรื่องนี้ตั้งแต่ต้ น, ตน แกได้แ oui, ก oh ้ไขนี่คือการศึกษาถึนกายในกายที่เป็นตัวจำเพราะเราเท่าอยู่แล้วประกอบอยู่แล้วคามหลักกรรมฐานวิชากรรมฐานหวิชาที่ศักดิ์สิทธ เปิดเผยกาพสิ่งของที่ขุ่มก็หายขึ้นให้เห็นภาพสิ่ของที่ปิดเปิดออกให้เห็นถ้ามีสติไม่ต้องถามใครจะได้ออกมาถางกายและกรรมวิจีกรรมวโนกรรมเราจะได้ตัดไปเสียต้นลมหกลู่เรื่องก่าลมไม่ดี เปลี่ยนขั้งที่หนึ่งที่สองสามขั้งไปมาจาจะดีขึ้นจนความคิดความหลงเกิดขึ้นได้เปลี่ยนไปท่วงรูปสึกตัวได้ก็เราตั้งตัว อ, อยู่แล้วเหมือนท่าศึกที่มาแล้วก็มองเห็นสามารถปราบท่าศึกได้รึกยังม่ได้ชุกหลอนสแสดงออกมา ขาดเสียก่อนรูเสียก่อนเปลี่ยนหลงเป็นรูนี่เรียกว่าไปศิกษาสารที่เปลี่ยนหลงเป็นรูแล้วความชั่วแล้วทำความดีแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆปานี่เป็นผู้ปฏิบัติต้องทำเองไม่มีใครบอก การมีสติจะได้ดูได้เห็นจะไแจ้ไขสิ่งที่ไม่ดีเ ก, กิดขึ้นในกายใเรียกว่าสติเป็นการสืบประจำ่ก่อนนี้กายกันเล่นตับกายสิงที่เกิดขึ้นกับกายกเยอะๆออกมาเป็นตัวเป็นตนออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ ออกมาแสดงออกแบบนี้ถ้าเรามีสติเราจะได้เห็นก็กลับมารู้จักตัวก็เป็นสักตัว่าเห็นแล้วสักแต่ ว, ว่าแล้วจบลงไปแล้วไม่มีค่าแล้วสิ่งที่มันเกิดกับการกับยังปัจจัยนี่กายนนานะกายสักว่ากายไม่ใช่จัตุคคลตัวตนเราเขาดี จบลงได้ไม่แสดงออกไปได้โดยเล็กๆน้อยๆไปอย่างนี้วัดหรอกินอาหารทานอาหารคำแรกอาจจะไม่อิม่มพอนลงไปหลายครั้งไปก็อิม่มหน้าแล้วเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นความดีจะอิ่มขึ้นมา มากขึ้นมากขึ้นได้ความรู้จากความหลงมากขึ้นแต่เราอยากให้ฝึกความหลงเป็นความหลงความทุกเป็นความทุกความไม่ดีเป็นความไม่ดีเต็มที่แบบให้มันเสียเกียร์มันออกายออกใจแต่รับใี้ความไม่ดีมากเท่าไหร่หลงเกียสงแข็งหลงโกรธเี่ร์สมแข็โกรธทุกเกียสงข็งทุกไม่เคยเปลี่ยน แบบ น, นี้เรามาลูมันนะมันก็เกิดที่นี่ดลลอนแรก้เวทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ันสักแต่ว่าซะเหินแล้วหยุดแค่นั้นหยุดที่เวทนาว่าได้มีตํหนาประธานพบชาติไปมาย็ดบัน้นหรือบั้นเป็นตัวเป็นตนี้กูขึ้นมา แตความสุกก็คือกูสุกทุ ก, ก็คือทุกเาหนกูเกิดขึ้นแล้วก็ขายายออกไปมนันถึงคนอื่นจึ ง, งว่าตัวอื่นแงกันได้ทให้คนอื่นเดือดร้อนได้เอาทุกของตัวเองเอลบวานคนอื่นเอาสุก ข, ของตัวเองไปเอาเปรียบคนอื่น น, นั่นอร่อเห็นไหมช แักราุแต่ ว, ว, ต ว, ว่าทุกข์มีสตินะจิตที่บันคิดก็เห็นจักร ว, วามันคิดอย่าบันตอบอีกจน เ, เกิดที่เดือตัณหาเพ่งเร็งใส่ใจนำไปปุง แ, งแตรเกิดสังขารเกิดปิญญาไปติดเอาความคิดเกยชินในความคิดให้ความคิดเป็นใหญ่ ความคิดชนหยุดความคิดไม่เป็นเราฟองจบความทุกข์ไปห้อยไปเขียนวยกับความคิดเท่านั้นไม่พอทำไมสิ่งอื่นวัตถุอื่นเดือดร้อนเพราะความคิดของคนมันจะดงออกปลายจนเป็นรูปธรรม ต่อไปจนเป็นวัตถุเป็นอาการออกไปเปลียนแปนตนเองตนเองเป็นทุกข์ก็มีแมงคนอื่นจึองินเป็นทุกข์ด้วยไม่ใช่เฉพาะของคิดท่านั้นแบบนี้จิตสักว่าจิตจะได้ช่วยจิตจะได้แงจิตจะได้พวกเก้าจิต สวลบริสุดแต่ก่อนจิตนี่บริสุดอยู่เสมอเหมือนผ้าสีขาววัวมาใช้ไม่เต็มแล้วเกื่อนหมดกลายนมนิดสายลิดมิดสายไปตลอดก็ะลิด โสจะหลุดโมหาจะหลุดเห็นที่จิต <c oughs> มันย่อมมันจะกลายเป็นวิญญานไปกลายเป็นเวียนมิญญาณอันนี้ไปจูเป็ก็ได้ไสิลกกายก็ได้ชนะโลกก็ได้เตะฉาสก็ได้ออนใช่ไหมเป็นมันจึ่นใบุ่มหนำต่ำเหมือ น, น, นเช่นธาตุที่ขาวบริสุทธิ์มันใช่ไหมเป็นก็เกิดเชื่อโลกได้หรือตามความสมบูกปก วายใจของเราเนี่กลายเป็นโลกได้ตัวากายรูปโลกรูปทุ ก, กนามก็เป็นโลกม่อเป็นโลกเกิดขึ้นหรอล่ลายอะไรก็ได้นี่แต่ว่าวิ ช, ชากรรมฐานในวิ ช, ชาที่ฟูดเตาม่จอดบริสุทธ หรืว่าผ ม, มวัชจร์แบบก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ได้เอาแปลมากระทำลานรู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้ตัวเดียวเป็นหลักยืนหยัดไปเลยเลจักธรรมแล้ววัเนี่ของมากให้เป็นของน้อยขึ้นมาองเลยเดียวขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมาที่การกจะมีงงแต่ลู่รู้ไป พอลูกก็จบพอลูกก็จบไปไม่ยากทําหน้าทำมาใหม่ว่าจะยากหน่อยฝึกไปฝึกไปเป็นฝึกได้มันสอนได้ที่ว่ามนุษย์เนี่ยวิชาความเป็นมนุษย์เนี่ ย, น ม, น ย, ยมันสอนได้มันสัตว์ประเสริฐฝึกได้สอนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามทุกข์วนแก่ผู้ปฏิบัติเป็นตน้นสอนสน แงดกกรมของหล่อที่จะทำแล้วเช่นหนัทำอย่างเร็วก็ได้ผลอย่างรเร็วทำอย่างเสิก็ได้ผลอย่างเสิดาทำอย่างนี้นนไม่เหนจาไม่เหือเลล เราพร้อมแล้วมีกายมีใจมีสตไไสสิได้ลงไปถูกต้องใจก็อาจจะดีวันดีจริงขึ้นมาเสริมเสริแห่งความเด่นพระอาวุบสคนเสริมเสริมแห่งพระดิพาณ วิชานี้เป็นวิชาที่จะตนตอบได้เช่นเวลามันหลงก็ต้องเห็นความไม่หลงคู่คู่กันเวลามันโกรธก็อมองเห็นความไม่โกรธมาแทนที่ได้ความได้ปัญญาเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางเฮ้ย <c> เ <oughs> อ้ยเดีนยวนะ